พระพุทธเจ้าสอนแล้วพวกเราไม่จำนะพอสังขารเป็นของไม่เที่ยง ม, มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงรีบยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพอเดี๋ยวถึงเวลามันเป็นอะไรแล้วมันจะทำไม่ได้หรือทำยาก ให้รีก่อนอก่อนที่ร่างกายมันจะหมดสภาพไปมาทำตอนที่มันใกล้จะหมดสภาพมันก็ทำไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่อตอนนี้กำลังแข็งแรงกำลังทำอะไรทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำได้กลับไม่ทำกันอพอถึงเวลา ที่ร่างกายจะบมดสภาพก็อยากจะมาทำกันทำก็ได้ไม่มากเนี่ยให้ดูเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายให้ย้อนกลับมาหาที่ตัวเราร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องนั่งรถเข็นจะไปไหนมาไหนก็ต้องให้คนเขาเข็นไปจะทำบุญจะทำอะไรสักทีก็ลำบากลำบน <c oughs> ก็ไม่รู้จักวิธีทำบุญทำบุญที่ง่ายมันก็มีไม่ต้องถอดสังขารมาก็ได้เดี๋ยวนี้โอนเงินผ่านมือถือก็ได้ มีกันในบัญชีก็กดเลยอยากจะทำบุญเท่าไหร่ก็กดได้อันนี้ก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ศึกษาวิธีทำบุญต่างๆว่าทำอย่างไรถึงจะได้บุญก็ทำตามเห็นคนอื่นเขาทำก็อยากจะทำแบบเขา แต่ร่างกายเราไม่สะดวกที่จะทำแบบนั้นถ้าเรารู้ว่าการทำบุญนี่คือการาเสียสละการให้ทานทานแปลว่าการให้มีอะไรก็ให้ไปไม่ต้องมาวัดก็ได้ดนี้ทำที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีวัด ก็ทำที่อื่นก็ได้ทำที่โรงเรียนก็ได้บุญทำที่โรงพยาบาลก็ได้บุญทำที่ไหนที่เขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือทำแล้วก็ได้บุญที่มาวันนี้ก็เพราะว่านอกจากได้ทำบุญให้ทานแล้วจะได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้า แ่สมัยนี้ไม่ต้องมาวัดก็ได้เดี๋ยวนี้วัดไปถึงบ้านเรานะไปถึงมือเราเลยไปถึงมือถือสมัยนี้มีการพัฒนาวิธีสื่อสารอย่างกว้างขวางสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมาวัดก็ได้เดี๋ยวนี้วัดไปถึงมือเราอยู่ที่ไหนเราก็ถึงวัดได้ ตอนนี้ใครมีมือถือใครเปิดใครดูใครฟังตอนนี้ก็ได้มาถึงวัดแล้วไม่ต้องถอสังขารร่างกายมาให้ลำบากลำบนเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงสื่อที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ตนนี้ ร่างกายไม่ต้องมาถึงวัดก็ได้เดี๋ยวนี้มีสื่อที่ส่งธรรมะส่งคำสอนให้ไปถึงร่างกายของเราได้ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรานี่ไปถึงวัดกันได้ถ้าต้องการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าต้องทาบุญ รักษาศีลก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้ทาบุญก็โอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลยพอไปถามสอบถามวัดที่เราอยากจะทาบุญว่าท่านมีหมายเลขบัญชีหรือเปล่าเราก็พอรู้หมายเลขบัญชีล้วก็กดได้เลยได้ทำทานอยู่ที่ไหนก็ทำได้ นอนบนเตียงในโรงพยาบาลก็ทำได้ mm. เวลาใกล้จะตายแล้วหรือว่าตายแน่ๆเงินทองที่มีอยู่นี่เอาไปไม่ได้ mm. ถ้าอยากได้บุญก็ทำมันบนเตียงบนเตียงนอนเลมีเท่าไหร่ก็ทำไปอย่ารอทำตอนตายเพราะตายตอนตายทำแล้วไม่ได้บุญ mm. เวลาเราตายนี่เงินที่เป็นของเรานี่มันไม่เป็นของเราแล้ว มันเป็นสมบัติของลูกหลานไปแล้วแล้วถ้าลูกหลานเขาเอาไปทำบุญเราไม่ได้บุญแล้วเป็นบุญของลูกหลานไปแล้วบุญที่เราได้จากการทำบุญของลูกหลานก็คือบุญอุทิศเท่านั้นเองบุญที่เขากวดน้าเวลาเท่าทำบุญแล้วเขากวดน้าอันนั้นก็เป็นบุญส่วนย่อยเป็นบุญที่มีไว้สำหรับประทังชีพไปวันๆหนึ่ง ใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายหลังจากที่ตายแล้วก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องประทังชีพญาติพี่น้องที่อยู่เขาทำบุญแล้วอุทิศให้ก็เป็นเหมือนส่งส่งอาหารไปให้เท่านั้นเองส่งอาหารส่งอะไรให้เรามีมีกินไม่เดือดร้อนไปไม่หิวโหวยดับความหิวโหวยของใจเท่านั้นเอง แต่ไม่สามารถทำให้เร า, เ, าเป็นเศรษฐีบุญขึ้นมาได้จากบุญที่พี่น้องเขาอุทิศไปยังก็ต้องเป็นขอทานบุญอยู่เรื่อยๆต้องคอยรอรับส่วนบุญอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีบุญต้องทาตอนที่เรายังไม่ตายตอนไม่ตาย ตอนอยู่เข้าโงพยาบาลแล้หมอบอกว่าไม่รอดแน่แนละ้วทีนี้ก็อยากจะทำเท่าไหร่ก็ทําไปเลยทําให้กับลูกหลานก็ได้ยกให้ลูกหลานไปเลยหรือทําให้กับใครก็ได้แต่อย่ากเก็บเอาไว้เป็นของเราถ้าเป็นของเรานี่เราเอาไปไม่ได้เงินทองนี่เวลาเราตายไปเราเอาไปไม่ได้ แต่ถ้าเราบริจาคทำบุญทำทานไปเนี่ยมันเป็นบุญขึ้นมาทันทีแล้วเวลาเราไปนี่เราจะไปเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็เป็นพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยพวกเทวดานี่เป็นพวกที่มีบุญส่วนพวกที่เป็นเปรตเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีบุญมีแต่บาปพาไป ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเปลียดก็ไปนรกนี่คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วคือร่างกายของเรานี้เดี๋ยวถึงเวลามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอต่จะต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่ยังไม่ได้ตาย ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะพาให้ไปเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์ใจนี้เป็นกายทิพย์ร่างทิพย์อยู่ในโลกทิพย์อยู่คนละโลกกับร่างกายร่างกายนี้อยู่ในโลกโลกธาตุร่างกายนี้ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือทำมาจากดินน้ำลมไฟ แล้วเดี๋ยวเวลาตายไปธาตุก็จะแยกออกจากร่างกายไปธาตุน้ําก็ไปแยกออกจากร่างกายธาตุลมก็แยกออกจากร่างกายธาตุไฟก็แยกออกจากร่างกายเหลือที่เหลือก็เป็นธาตุดินนี่คือร่างกายอยู่ในโลกธาตุโลกธาตุนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นรรมาจากธาตุทั้งนั้น เป็นาธาตุทั้งนั้นภูเขานี่ก้อนหินนี่ก็เป็นาธาตุดินน้ำหนแม่น้ำลำธารก็เป็นาธาตุน้ำลมหายใจอากาศนี่ก็เป็นาธาตุลมความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ก็เป็นาธาตุไฟเมื่อาธาตุทั้งสี่มีการประสมกันก็ทําให้เกิดมี สัตว์มีบุคคลมีร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เลีาย้าน <Okay. S 1> มีร่างของต้นไม้ <Yeah. S 1> อันนี้คือโลกธาตุส่วนจิตห้ือใจผู้รู้ผู้คิด <Yeah. S 1> ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ <Yeah. S 1> เป็นธาตุรู้ <Yeah. S 1> เรียกก็วิญญาณธาตุ yeah. ธาตรูนี้ไม่ได้อยู่ในโล ก, กธาตุสี่อยู่ในโลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณต่างๆโลกของผู้ที่ไม่มีร่างกายเวล า, าล่งเวลาจิตไม่มีร่างกายของมนุษย์หรือของของเดลฌ า, านจิตก็จะได้ร่างกายของเทวดาหรือถ้าได้ถ้าทบุญก็ได้ร่างกายของเทวดาของพรหม ของพระ อ, อริยเจ้าของพระพุทธเจ้าของพออาระาอารหันต์เนี่ยถ้าทำบาปก็ได้ร่างของเปรตของอสุรกายของนรกนี่คือที่จะเกิดที่จะตามมาหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วขึ้นอยู่กับบาปบุญที่ทำไว้อันไหนมีพลังมากกว่ากัน ถ้าชาตินี้ทําบุญมากกว่าทําบาปเวลาไม่มีร่างกายแล้วใจคือร่างทิพย์นี้ก็จะเป็นเป็นเทพบ้างถ้าทาบุญในระดับเทพก็ได้ก็ได้เป็นเทพทําบุญระดับพรหมก็ได้พรหมทําบุญระดับเทพก็คือเนี่ยทาบุญทําทานแบ่งปันมีข้าวของเงินทอง ก็แบ่งให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่มีเงินก็ให้ความช่วยเหลือก็ได้ใครเขาเดือดร้อนเรามีความสามารถที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาได้ไม่มีเงินก็ใช้กำลังกายนี่ก็ได้กำลังวาจาก็ได้มีความรู้ความรู้ให้แก่ผู้อื่นก็ ก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความรู้เขาจะได้เอาความรู้นี้ไปเลี้ยงดูดตัวเขาได้เช่นเด็กๆที่เรียนหนังสือแล้วถ้าเราให้สอนพิเศษกับเขาเวลาที่เขาเลิกเรียนแล้วเขามาขอเรียนพิเศษเรามีความรู้เราก็สอนเข้าไปสอนคณิตศาสตร์่อน วิทยาศาสตร์โดยที่ไม่เก็บเงินเขาไม่คิดเงินคิดทองเราไม่มีเงินเราเอาจจะไม่มีเงินมากที่จะเอาเงินไปทำบุญให้คนนั้นคนนี้เราก็ให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ก็เป็นวิทยาทานให้การช่วยเหลือกับผู้อื่นไปเป็นอาสาสมัครก็ได้มีเวลาว่างไปเป็นอาสาสมัคร มีความสามารถในทางด้านไหนก็ไปทําในทางด้านนั้นโดยไม่เอาค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันทําทานเหมือนกันทําแล้วก็จะทําให้ใจนี้มีบุญมีทรัพย์ภายในคือความสุขใจอิ่มใจ จะเป็นเทพขึ้นมาถ้าไม่ไปทำบาปถ้าเผลอไปทาบาปก็จะเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างเป็นนรกบ้างแต่บาปกระบุลนี้ก็จะมาเป็นผู้ที่มารับดวงวิญญาณหรือดวงใจของเราไปเวลาที่ไม่มีร่างกาย ก็ อ, อยู่ว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญที่เราทําไว้นี้มีมากกว่าบาป ท, ที่เราทำํำบุญก็จะดึงให้เราไปรับผลบุญก่อนไปรับผลบุญจนกว่าผลบุญหมดหมดกาลังที่จะดึงเราไว้บนสวรรค์บนเทพเป็นเทพก็ แต่บาปก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะดึงเราไปอบายเวลาที่บุญกับบาปมีกำลังเท่ากัน ก, ก็จะมาอยู่พบของมนุษย์ ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนอยังไม่ต้องไปใช้บาปที่ได้ทำไว้ก่อนออเพราะบาปยังมีไม่มากพอที่จะดึงไปอบอายอบุญก็ไม่มีกำลังพอที่จะดึงไปสวรรค์ อะไรต้องมาอยู่ที่กองกลางระหว่างสวรรค์กับระหว่างอบาย<ม>ก็ก็คือพบของมนุษย์ก็<ม><ม>พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่มแล้วพอตายไปก็ไปตามกำลังของบุญหรือบาป<ม>ถ้าขาวหน้าบาปมากกว่าบุญ ก็จะถูกบุญดึงไปถูกบาปดึงไปก็อาจจะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือเป็นสัตว์นรกนี่แล้วก็ใช้บาปไปจนกว่าบาปจะหมดกำลังไม่สามารถดึงให้อยู่ในอบายได้เท่ากับบุญบาปมีกำลังเท่ากับบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะเป็นอย่างนี้สลับกันไปขึ้นๆลงๆขึ้นอยู่ว่าในแต่ละครั้งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ได้ทำบุญหรือได้ทำบาปมากกว่ากันแต่ถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุท ธ, ทธเจ้าอยู่ก็จะได้เรียนรู้ว่ายังมีการกระทำอีกแบบหนึง่ง ที่เหนือกว่าบุญเหนือกว่าบาปดีกว่าบุญดีกว่าบาป ก, ก็คือการปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงกาจัดความอยากทั้งสามประการคือกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดธพะความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหา อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นเศรษฐีและวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้อยากไม่เจอกับสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆความอยากทั้งสามนี้เป็นความอยากที่ จะเป็นเหตุห้ามให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ส่วนจะไปเกิดที่ไหนก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้ตายแล้วบุญกับบาปก็จะดึงไปให้ไปเกิดที่สูงที่ต่ำแล้วพอบุญกับบาปไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปที่สูงที่ต่ำก็มาที่ตงกลางมาที่พบของมนุษย์มาทำบุญทำบาปใหม่ แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาเราได้เรียนรู้วิธีหยุดการมาเกิดใหม่ก็คือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธ ค, ความหลงหรือความอยากสามประการนี้เหมือนกันที่เลสตัณหาตัวเดียวกันยแต่เราเรียกชื่อมันต่างกันท่นั้นเองแต่มันก็เป็นตัวเดียวกัน ความโลภกับความอยากก็อันเดียวกันความโกรธกับความความอยากไม่พบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันความเวลาโกรธเราก็ไม่อยากจะเจอสิ่งที่เราโกรธอยากจะกำจัดสิ่งที่เราโกรธแล้วความโลภความอยากมันก็เกิดจากความไม่รู้ความหลงไม่รู้ว่าโลภแล้วไม่ดีโกรธแล้วไม่ดีโลภแล้วทำให้ทุกข์ แต่ความหลงจะคิดว่าโลภแล้วทำให้สุขเห็นอะไรแล้วอยากได้โลภอยากได้พอคิดว่าได้มาแล้วจะได้ความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบน้าตาลเคลือบยาขมความสุขเคลือบความทุกข์ได้สิ่งที่อยากได้มาก็ดีใจมีความสุขเดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันหายไปหมดไปความสุขนั่นก็หมดไป ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ไม่เห็นว่าจะต้องหมดคิดว่าได้อะไรมาแล้วจะได้จะไ ด, จะได้มีอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้หลงอยากได้คิดว่าจะได้ความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบความสุขเคลือบความทุกข์เหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมเวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็หวาน เดี๋ยวพอน้ำตาลที่เครือบมันจางไปฤทธของยาลดของยาขมมันก็โผล่ขึ้นมาอไม่ว่าจะได้อะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญเป็นของที่สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปหรือเปลี่ยนไป พอมันหายไปหรือเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทำให้ใจต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> พอร่างกายตายไปก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ <Yeah. S 1> เพื่อจะได้หาของเหล่านี้ใหม่ <Yeah. S 1> ถึงได้กลับมาเกิดใหม่ <Yeah. S 1> แต่พอเกิดมันก็ต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บ <Yeah. S 1> อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นกันเห็น <Yeah. S 1> ไหม มีใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างนั่งอยู่ในรถเข็นแล้วก็ร้องหายใจไม่ออกหายใจทีก็ร้องทีหายใจทีก็ร้องทีทงทนี่แหละถ้าเกิดแล้วมันจะต้องเป็นไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยจะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปถ้ายังไม่สามารถ หยุดความอยากต่างๆได้ตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อหลังจากที่ได้ใช้ได้รับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากอยู่ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถที่จะ เส็บหรือสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรถได้เนี่ยพอไม่มีร่างกายก็เลยต้องไปรอรับร่างกายรอเวลาที่พ่อแม่คนใหม่เขาแต่งงานเขาร่วมหลับนอนกันแล้วเขาก็จะผิดร่างกายขึ้นมาใหม่ดวงใจที่อยากจะมีร่างกายก็จะไปครอบครองทันทีเกิดเขาเรียกปฏิสนธิ เกิดการตั้งคันขึ้นมาการจะตั้งคันได้นี้ต้องมีส่วนผสมของพ่อของแม่และของจิตของดวงวิญญาณมีสามส่วนมารวมกันเดีย๋ยจะทำให้การตั้งคันสำเร็จได้นี่เกิดการได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรม จะได้มารู้จักวิถีชีวิตของเราว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรแล้วเราจะไปไหนต่อไปแล้วเราเลือกทางที่เราจะไปได้หรือไม่ไ <อ S 1> ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าเราเกิดมาได้อย่างไรและเราอยู่เพื่ออะไร และตายไปเราจะไปไหนเราก็จะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเราก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนขั้นแรกก็ดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากินเมื่อมีเงินเมื่อหากินได้แล้วมีเงินเหลือก็เอาเงินไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อย ว่าพอใช้ไปมันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินส่วนหนึ่งก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อหาความสุขาาการตาหูจมูกลิ้นกายก็ทํอย่านี้ไปจนแก่เจ็บตายตายไปก็อาจจะคิดว่าจบพเพราะร่างกายเมื่อตายไปแล้วมันจะไปไหนได้ มันก็ย่อยสลายบุบสลายล่มสลายถ้าไปฝังมันเดี๋ยวก็กลายเป็นดิน น, ะน้ำก็แยกออกไฟไฟก็แยกออกไฟลมก็แยกออกไปเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูก <Yeah. S 1> นังไงคนที่ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกก็จะ ไม่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ว่าทำบุญหรือทำบาปไปก็ได้แค่ขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบุญก็อาจจะได้รางวีรางวัลเขาให้ประกาศชื่อติดไว้ในโบสถ์ในกุเตว่าเออคนนี้ได้ทำบุญได้ทำความดีก็คิดว่าได้เท่านั้นทำบาป ก, ก็ถ้า ไม่มีใครรู้ก็ก็ดีไปถ้ามีคนรู้ถ้าผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษขังคุกขังตารางตายไปก็ไม่มีอะไรเหมือนกันไม่ว่าคนจะทำบุญหรือทำบาปตายไปแล้วก็ศูนย์เหมือนกันมันก็จะทำให้คนไม่สนใจเรื่องทำบุญหรือเรื่องการ ทำบาปหรือไม่ทำบาปก็ะจะคอยทำตามความอยากเป็นหลักเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะอึดอัดจะไม่สบายใจหงุดหยิดลำคาญใจเศร้าซอยหงอยเหงาว้าเหวต้องไปทำอะไรให้มันคลายความรู้สึกนี้ อ, อยู่บ้านเหงาก็ต้องออกไปเที่ยวไปหาเพื่อน อได้เที่ยวได้ไปกับเพื่อนก็หายเหงาแต่ก็เดี๋ยวเดียวพอกลับมาบ้านก็เดี๋ยวก็เหงาใหม่ก็ต้องออกไปใหม่แล้วก็จะต้องมีวันเวลาที่ไม่สามารถที่จะไปได้ร่างกายอาจจะไม่สบายร่างกายอาจจะแก่หรือไม่มีเงินทองที่จะออกไปเที่ยว ตอนนั้นก็จะมีแต่ความไม่สบายใจมีแต่ความเหงาความว้าเหว <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เข้าหาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> เราก็จะไม่รู้ว่าเรา ท, ท, ทนะําทไมต้องทุกข์ทำไมอยู่อยู่ดีๆไม่ได้นะอยู่บ้านเฉยๆทําไมต้องทุกข์ด้วย ทำไมต้องเศร้าซร้อยหงอยเหงาทำไมต้องว้าเหว <Yeah. S 1> เราก็ร่างกายก็สมบูรณ์มีอาหารรับประทานมีอะไรทุกอย่างแต่ใจของเราทำไมมันจึงไม่สบาย <Yeah. S 1> เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเรานี่ <Yeah. S 1> เกิดจากความอยากสามอย่างนี้ <Yeah. S 1> เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส <Yeah. S 1> เกิดความอยากมีอยากเป็น <Yeah. S 1> หรืออยากไม่มีอยากไม่เป็น มันเลยทำให้เราไม่สบายใจกันนี่คือความรู้ต่างๆที่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเมื่อก่อนก็ต้องไปวัดเท่านั้นถึงจะได้รับความรู้เพราะสมัยก่อนนี้จะมีพระเท่านั้นที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า เขาเลยมีวันพระกันวันพระก็วันให้ไปหาพระวันวันเข้าวัดเพื่อจะได้ไปฟังคําสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ยวันพระท่านเรียกว่าวันธรมธรมัสวนะัณะธรรมะสวัณะนี้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าการฟังธรมธรมธรรมะสวัณะนี้แปลว่าการฟังธรรมวันพระเป็นวันไปฟังธรรม ไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้ที่มาที่ไปของเราว่าเราเป็นอะไรเป็นใครกันแนะ่ถ้าเราไปฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงใจตอนไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ พอมันมีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจคือใครก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ว่ากำลังฟังอะไรอยู่ตอนนี้ร่างกายไม่รู้ร่างกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพแต่กล้องเขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายภาพอะไรคนที่ถ่ายเนี่ยคนที่ถือกล้องเนี่ยเป็นผู้รู้ว่ากำลังถ่ายภาพของใคร ร่างกายเห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรร่างกายไม่มีความรับรู้มีแต่การรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสเป็นเหมือนกับกล้องถ่ายรูปกล้องโทรศัพท์มือถือนี่โทรศัพท์มือถือนี่ก็รับเสียงได้ส่งเสียงได้รับรูปได้เหมือนกับร่างกายร่างกายก็รับรูปรับเสียงส่งเสียงได้มีปาก แต่ผู้ที่สั่งให้ร่างกายพูดไม่ใช่ร่างกายร่างกายสั่งให้ตัวเองพูดเองไม่ได้ต้องมีผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเป็นผู้สั่งผู้รู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรด้วยด้วยความคิดเนี่ยคิดจะพูดก่อนจะพูดต้องคิดก่อนอก่อนจะเดินจะลุกจะทำอะไรก็ต้องสั่งต้องคิดก่อนว่าจะลุกนะตอนนี้นั่งอยู่จะลุกขึ้นไป จะเดินก็ต้องมีผู้รู้เป็นผู้สั่งถ้าไม่มีผู้รู้เป็นผู้สั่งร่างกายก็จะอยู่ตรงนั้นเช่นคนตายนี่ก็ไม่มีผู้รู้ผู้คิดที่จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรร่างกายก็ถ้านอนอยู่ตรงไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะถ้าไม่มีใครมา จัดการมันก็จะเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติของร่างกายเ<ม>นี่ยคือร่างกายของพวกเราทุกคนนี่ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายให้ไปทาตามความอยากของเราที่เรามาเกิดนี่ก็เพราะเรายังมีความอยากอยากในรูปเสียงกล่นรสผลธพะนี่ ก็ต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายตาไว้มีไว้สำหรับดูรูปหูไว้สำหรับฟังเสียงจมูกไว้ดมกลิ่นลิ้นไว้สำหรับสัมผัสกับรสของอาหารต่างๆเครื่องดื่มต่างๆผธทะพักก็คือร่างกายร่างกายสัมผัสกับความหนาวความร้อนความเย็น ความแข็งความอ่อนความนุ่มอะไรต่างๆอันนี้เป็นเหมือนยาเสพติดของใจเวลาใจได้สัมผัสแล้วก็เกิดความสุขเวลาไม่ได้สัมผัสก็เกิดความเศร้าซร้อยหงอยเหงาเหมือนคนติดยาเวลาติดยาแล้วไม่ได้เสพยานี้จะรู้สึกปวดเหยืดทรมานใจ พอได้เสพก็มีความสุขชั่วคราวขณะที่เสพพอผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากเสพขึ้นมาใหม่เ <Yeah. S 1> นี่ยพวกเราเป็นพวกติดยาเสพติดกันเนี่ยติดกันมาไม่ใช่พบนิชาติติดมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วตายไปเมื่อไหร่ก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่เห mm. มือนไปหายาเสพติดใหม่ไปหา เครื่องมือเสพก่อนต้องมีเครื่องมือก่อนเช่นสมัยนี้พวกที่เขาติดยาเสพติดเขาต้องไปหาเข็มฉีดยาก่อนมีเข็มฉีดยาแล้วก็ค่อยไปหายาแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเขาถึงจะได้เสพยาเราก็เหมือนกันเราต้องมีร่างกายก่อนเราถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นนัดได้ พอไม่มีร่างกายก็ต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่ตอนที่ไปรอก็อาจจะต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนบุญกับบาปนี้เขาจะดึงให้ไปรออยู่ในที่ร้อนหรือที่เย็นถ้าบุญก็พาเราไปนั่งรอในห้องแอร์ในที่เย็นสวรรค์เป็นเหมือนห้องแอร์สวรรค์นี้เป็นที่เย็นใจสุขใจสบายใจอิ่มเอิบใจ ส่วนอบายนี่ก็เหมือนเป็นที่ร้อนมีแต่ความร้อนมีแต่ความทุกข์อยู่ในใ จ, จเทียบก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับไปถ้าบุญพาไปก็จะฝันดีฝันแต่เรื่องที่ดีฝันแต่เรื่องที่มีความสุขถ้าบาปพาไปก็จะฝันร้ายฝันในเรื่องที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อน เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวเกิดความวิตกกังวลอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นผลของบุญของบาปเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนที่เรานอนหลับนี่เราไม่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเราให้ร่างกายพักผ่อนร่างกายไม่ไหวทำไม่ไหวจะให้เที่ยวยี่บสี่ชั่วโมงนี้เที่ยวไม่ไหว ก็ต้องให้ร่างกายพักนอนหลับแต่ใจยังไม่อยากพักใจยังหิวอยู่ใจก็เลยอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นที่ที่หาความสุขหรือหาความทุกข์ต่อไปถ้าทำบุญมากกว่าบาปบุญก็จะให้เราฝันดีถ้าทำบาปมากกว่าบุญมันก็จะทำให้เราฝันร้ายเราควบคุมความฝันไม่ได้ จะสั่งว่าคืนนี้ฝันดีนะสั่งไม่ได้ชอบบอกกันเลยนอนหลับฝันดีนะัะจะบอกได้จะฝันดีไม่ดีนี่อยู่ที่บุญหรือที่บาปเนี่ยพระพุทธเจ้า บ, บอกผู้ที่มีความเมตตาผู้ที่ทำบุญเป็นประจำนี่นอนหลับจะไม่ฝันร้ายนอนหลับจะฝันดีนี่อันนี้สงของผู้ที่ทำบุญคือผู้ที่มีความเมตตานอนหลับจะฝันดี เดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขถ้าร่างไม่มีร่างกายก็ไปสู่สุขคติเวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไปสู่สุขคติไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่ก็เรื่องที่เราจะได้รู้จักกันถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆฟังแบบผิวเผินเราไม่เข้าใจเราก็จะคิดว่า อเรื่องงมงายทั้งนั้นแหละสวรรค์อยู่ที่ไหนวะหามาให้ดูหน่อยสิเขาส่งจรวจขึ้นไปสำรวจในอวกาศไม่เห็นมีสวรรค์เขาขุดเจาะลงไปในโลกส่งเรือดำน้ําลงไปใต้น้ําก็ไม่เจอนาลกไม่เจอบายที่ไหนแล้วมันอยู่ที่ไหนกันไม่มีวันเข้าใจหรอกถ้าไม่ได้มาตั้งใจศึกษาจริงๆแล้วก็ ศึกษาก็ต้องศึกษาจากผู้ที่รู้มีประสบะการณ์จริงๆถ้าไปศึกษาแบบคนไม่รู้สอนคนไม่รู้ก็ไม่รู้อีกก็อ่านไปตามตำราแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าบุญอยู่ที่ไหนแล้วโลกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนอันนี้มันต้องเกิดจากผู้ที่ได้สัมผัสจริงๆผู้ที่ได้ไปเห็นสวรรค์จริงๆเห็นโลกจริงๆเห็นอบายจริงๆแล้ว รู้ว่าใครเป็นผู้ไปสัมผัสกับนรกกับสวรรค์กับอบายต่างๆคนชาวพุทธเราส่วนใหญ่จึงอาศัยศรัท ธ, ธาความเชื่อคือยังมองไม่เห็นแต่บางทีฟังแล้วไม่เข้าใจก็ก็ขอเชื่อไว้ก่อนแต่ถ้าได้ฟังอย่างละเอียดจนเห็นภาพชัดเจนนี่ก็ก็จะเห็นชัดว่าอ๋อ สวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือใครก็รู้ก็คือรู้ว่าใจเป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดใจเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปแต่ก็ยังรู้ไม่สมบูรณ์รู้แบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้าอยากจะรู้แบบหนึ่งตาเห็นนี่ต้องลืมตา ตอนนี้เราเหมือนคนปิดตาแล้วฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็วาดภาพไปตามภาพที่พระพุทธเจ้าวาดให้เราดูแต่มันก็ยังเป็นภาพวาดภาพจินตนาการยังไม่ได้เป็นภาพจริงถ้าอยากจะเห็นภาพจริงก็ต้องลืมตาตาที่ต้องลืมไม่ใช่ตาของร่างกายตาเราของร่างกายนี่ลืมมาตั้งแต่เกิดแล้ว ลืมตามาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นผู้เวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะเห็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไปนรกไปสวรรค์เห็นนรกเห็นสวรรค์นี้ต้องเปิดตาในเพื่อเปิดตาใจใจก็มีตาเหมือนกันตตอนนี้ตาของใจถูกปิดไว้ด้วยโมหะาอาวิชชาด้วยความไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาด้วยโมหะด้วยความหลงจะเปิดตาานได้อย่างชัดเจนนี้ตอนต้นก็ต้องอาศัยการฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนวิธีเปิดตาานตอนต้นก็จะบอกก่อนว่าถ้าเปิดตาานแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นผู้เวียนว่ายตายเกิดพออยากจะเห็น ท่านก็สอนวิธีที่จะทำให้เราเห็นวิธีที่จะทำให้เราเห็นก็ต้องนั่งหลับตานอกหลับตาร่างกายแล้วตาในามันก็จะเปิดขึ้นมาจะเปิดได้ก็ต้องมีธรรมของพระพุทธเจ้ามาเปิดธรรมที่จะเปิดตาในาก็คือสติปัญญาถ้าเราหลับตานอกแล้วเรานอนหลับนี่ไม่มีสติเราก็เรายังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์ เวลาเรานอนหลับนี่เราปิดตานอกกันแต่เราก็ยังปิดตาในาด้วยเราไม่ได้เปิดตาในเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าเราอยากจะเปิดตาในานี่เราต้องเปิดด้วยสติเปิดด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อจะได้ปิดตานอกแล้วจะได้เปิดตาในาได้เวลานั่งสมาธิแล้วมีสติควบคุมใจใจก็จะหยุด ความคิดต่างๆที่มาบล็อกมากันไม่ให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในถ้าเราหยุดความคิดได้ด้วยสติเนี่ยเราก็จะเห็นตัวผู้รู้ผู้เราจะเห็นโลกเห็นสวรรค์ที่ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกก็อยู่ในตัวผู้รู้นี่เองไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนเหมือนกั<ส> บ, บถ้าเราอยากจะ ดูว่าจอทีวีของเรานี่เป็นอย่างไรแท้ๆเป็นจออย่างเดียวเราก็ต้องปิดทีวีก่อนถ้าเราไม่ปิดทีวีเราจะไม่เห็นจอเราจะเห็นภาพบนจอภาพบนจอไม่ใช่เป็นตัวจอทีวีตัวจอทีวีต้องเป็นตอนที่ไม่มีภาพถ้าอยากจะเห็นตัวจอก็ต้องปิดปิดตัวทีวีปิดภาพที่ เกิดขึ้นบนจอก่อนถ้าอยากจะเห็นตัวรู้ตัวใจผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดเห็นตัวนรกตัวสวรรค์ที่อยู่ในใจนี้ก็ต้องปิดตัวความคิดก่อนหยุดความคิดก่อนจะหยุดความคิดได้ก็ต้องหยุดด้วยสติต้องใช้สติหยุดมันวิธีที่หยุดความคิดก็ให้คิดอยู่เรื่องเดียวแค่ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียว หรือถ้าไม่คิดพุทโธก็ให้รู้อย่างเดียวให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าใจจดจ่ออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะหายไปพอหายไปปั๊บก็จะเห็นตัวรู้ขึ้นมาตัวผู้รู้ตัวผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปตัวผู้ที่สั่งให้ทำบุญทาบาปต่างๆ ทีนี้พอเห็นแล้วก็จะเข้าใจความหมายคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเราเป็นใครกันนะใครเป็นผู้ทำบุญใครเป็นผู้ทำบาปใครเป็นผู้รับผลบุญผลบาปเนี่ยจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาในระดับแรกแต่ยังไม่เป็นระดับที่สมบูรณ์ได้เข้าถึงเหตุการณ์ของจริงแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในในเหตุการณ์นั้นเพราะใจนี้ที่เรามาพบมารู้ว่าเป็นผู้ทําบุญทาบาปเป็นผู้ที่มีความอยากมีความโลภต่างๆนี้เรายังไม่สามารถแก้ปัญหาของใจได้ด้วยการหยุดความคิดด้วยการนั่งสมาธิเราเพียงแต่ทำให้ปัญหามันยุติลงชั่วคราว ตอนที่เรานั่งสมาธิจิตหยุดคิดความโลภความอยากก็หยุดทำงานไปความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปชั่วคราวแต่พอเราถอนออกจากสมาธิพอเราออกจากสมาธิมากลับมาสู่ที่ร่างกายกลับมาลืมตามารับรู้เรื่องต่างๆผ่านทางร่างกาย ใจเราก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าเคยหยุดมันได้ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิขึ้นมานี้หยุดมันไม่ได้มันโผล่ขึ้นมา <Yeah. S 1> เห็นอะไรก็อยากได้ได้ยินอะไรก็อยากได้ <Yeah. S 1> ยังมีความอยากเหมือนเดิมความอยากความโลภไม่ได้ตายไปกับ <Yeah. S 1> ไม่ได้หายไปกับสมาธิหายชั่วคราวถ้ามีสมาธิมันก็หาย แต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติคอยควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดปล่อยให้ใจไปรับรู้กับสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายมันความโลภความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่เอาจากสมาธิมาเนี่ยพอคิดถึงเงินก็อยากได้พอคิดถึงอะไรก็อยากได้คิดถึงกาแฟก็อยากดื่มคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทาน ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาด้วยสมาธิเพียงแต่ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างที่จิตสงบจิตที่ไม่มีความโลภความอยากนั้นเป็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรเป็นความสุขอย่างไร <Yeah. S 1> ก็จะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องโดยเป็นความสุขเหมือนในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเราก็ต้อง ฝืนความโลภความอยากต่างๆเพราะเวลาที่เราไม่มีความโลภความอยากเรามีความสุขแต่พอเกิดความโลภความอยากขึ้นมานี้ใจเราสั่นนะใจสั่นมือไม้สั่นได้หมดเหมือนคนติดยาเสพติดคนที่ติดบุหรี่พอเห็นอยากจะสูบบุหรี่ไม่ได้สูบบุหรี่มือไม้ก็สั่นคนที่อยากจะดื่มสุราไม่ได้ดื่มสุรา มือไม้ก็สั่นที่มือไม้สั่นก็เพราะใจมันสั่นใจมันไม่มีสติควบคุมไว้แต่ถ้าเราได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าความอยากความโลภนี่แหละที่ทําให้ใจเราสั่นทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเราสั่นใจเราทุกข์อยากให้ใจเราสงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิเราก็ต้อง อย่าไปทำความโลภอย่าไปทำตามความอยากวิธีไม่ทำก็คืออย่าไปคิดถึงมันเห็นเวลาอยากพุธอยากดื่มสุราอยากสูบอะไรอยากดื่มกาแฟอยากกินขนมเราก็ทำสมาธิไปเจริญสติไปพุทโธไปเดินจงกรมก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้เดินจงกรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องที่อยากจะที่อยากจะทำ ดื่มเรื่องกาแฟเรื่องบุรีเรื่องขนมเรื่องอะไรไปทุกครั้งที่มันอยากเราก็ทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังความอยากที่มันกลับมาอยู่เรื่อยๆก็เพราะเราคอยให้น้ำให้ปุ๋ยมันวิธีให้น้ำให้ปุ๋ยกับความอยากให้อย่างไรก็ทำตามความอยากพออยากดื่มกาแฟก็ดื่มเดี๋ยวความอยากจะดื่มกาแฟใหม่ก็โผล่ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ให้น้ำให้ปุ๋ยมันทุกครั้งที่มันอยากจะดื่มกาแฟาก็ออกไม่ดืม่มต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากจะดืม่มช่วงที่มันทรมานที่เกิดจากความอยากดืม่มเราก็หยุดมันด้วยสติพุทโธพุทโธไปหรือนั่งสมาธิกำหนดดูลมหายใจไปพอจิตสงบก็หายทรมานไม่ต้องดื่มกาแฟได้ถ้าร่างกายหิวน้าก็ดื่มน้าเปล่า ร่างกายต้องการน้าก็ดื่มน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่เป็นไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหามันเป็นของจำเป็นเหมือนยาเป็นยาของร่างกายแต่กาแฟนี่มันไม่ได้เป็นมันเป็นมีน้ำอยู่ก็จริงอยู่แต่มันก็มีมีมีโทษเพราะมันเป็นยาเสพติดมันทำให้ใจติดถ้าดื่มแล้วมันจะติดต้องดื่มเรื่อยๆเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทรมานจะทุกข์เนี่ย นี่คือวิธีแก้ปัญหาของใจใจที่ทุกข์ที่ทรมานกับเรื่องต่างๆก็เพราะว่ามีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาไม่เวลาอยากนี่ใจก็กระวลกวายกระสับกระสร่สายนะแล้วทําไม่ได้ง า, านเข้าก็จะทรมานมากขึ้นใจจะสัน่นใจจะลิ้นนต้องลิ้นไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วถ้าได้มาก็หายสั่น ชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผก่ขึ้นมาถ้าไม่อยากให้มันสัน่นอย่าไปดิ้นหามันเราดิ้นไปหาสติดีกว่ากลับไปหาพุทโธดีกว่ากลับไปหาสมาธิทำใจให้สงบไม่ไปทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวความอยากนั้นมันก็จะสงบตัวลงแล้วคราวหน้ามันก็จะมาน้อยกว่าเก่ากำลังมันจะค่อยๆ อ, อ่อนไปครั้งแรกอาจจะไม่หายทีเดียวเลย แต่ถ้าเราชนะครั้งที่หนึ่งได้แล้วครั้งที่สองเราก็ชนะได้เพราะครั้งที่สองนี้มันจะเล็กกว่าครั้งที่หนึ่งมันจะอ่อนกว่ามันจะเบาวกว่าพอเรารู้ว่าเราชนะมันได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปนี้เราก็ชนะมันได้ใช้วิธีเดิ ม, เ, มเวลาอยากแล้วมือไม้สัน่นใจสั่นก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปจะเดินจงกรมก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้อย่าไปทาตามความอยากเท่านั้นเอง เดี๋ยวกำลังของความอยากมันหมดกำลังมันก็จะหายไปแล้วความสัน่นความอะไรต่างๆก็จะหายไปแล้วมันจะหายแบบท้าวนต่อไปมันจะไม่กลับมาทําให้ใจเราสั่นอีกต่อไปนี่คือวิธีที่จะทําให้เรายุติการที่เราจะต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายได้ยุติการมาทำบาปได้การที่เราทำบาปก็เพราะเราอยาก อยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถหามาได้ด้วยความถูกต้องเราก็ต้องไปทําบาปเพื่อเราจะได้เอาสิ่งที่เราอยากได้มาเสกไปหาเงินถ้าหาเงินโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องไปช่อโกงไปรักไปขโมยพอรักขโมยเราจะได้มีเงินไปซื้อของที่เราอยากได้ซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําบาป เพราะเราไม่ต้องไปหาอันหนึ่งเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เวลามีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนกับร่างกายเพราะไม่ใช้ร่างกายไม่พึ่งร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะว่าเราไม่ต้องใช้มันแะมันจะแก่ก็เรื่องก็ไม่เดือดร้อนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบที่เราเรียกว่าตัดสรู้ตัดสรู้เรื่องของเราตัวเราว่าเราเป็นใครเรามาเกิดได้ยังไงแล้วเราเราจะไปต่อเราจะไปต่อเพราะอะไรทําให้เราไปต่อแล้วไปต่อที่ไหนเอ ถ้าเราไม่อยากที่จะไปต่อเราไม่อยากที่จะไปพบกับความทุกข์อย่างที่เราพบกันอยู่ในขณะนี้ท่านก็สอนให้เรามาแก้ปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวกิเลสตัณหานี่เองตัวความโลภความโกรธความหลงตัวความอยากสามประการนี้คือกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าแก้สามตัวนี้ได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด เมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมีการไปรับไม่ต้องมีแกเ่เจ็บตายไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปไม่ต้องไปทำบุญทำบาปอีกต่อไป <Yeah. S 1> ใจก็จะอยู่ในโลกทิพย์ไปตลอด <Yeah. S 1> อยู่ในโลกทิพย์ที่ในระดับที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรียกว่า บ, บรมสุขบรมังสุขขัง <Yeah. S 2> เป็นที่สภาพของใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยาก ถ้าเป็นอยู ımız, so ่ในสภาพอื exactly. ่นยังมีความโลภอยู่มีความอยากอยู่มากน้อยก็ตามตามระดับของความโลภความอยากเช่นพระอนาคามีก็ยังมีความอยากอย่างอยากมีความสุขของระดับพรหมอยู่ก็ยังติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมพระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันนี้ก็ยังมีความอยากได้ความสุขของร่างกายอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ อพระสกิราคามีกับพระโสดาบันภาณาคามีนี้ไม่มีความอยากมีความสุขระดับของร่างกายอยากยังมีความอยากในความสุขของระดับพรห ม, มโลกอยู่ก็ไปติดอยู่ที่พรห ม, มโลกแต่พระอรหันต์นี้ไม่มีความอยากได้ความสุขจากอะไรเลยก็เลยไม่ติดอยู่ในใต้ภพไม่ติดอยู่ในเทวโลกพรห ม, มโลกไม่ติดอยู่ในกามภพภพของมนุษย์ของเดชะฉาน ไม่ทำบุญไม่ทำบาป ก, ก็อะไรอยู่ที่นิพพานที่ไม่ต้องกลับมาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายเพบเอีกต่อไปใครได้มาเกิดในยุคที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ถือว่าโชคดีมากจะได้เรียนรู้เรื่องคิดเรื่องจริงของเราว่าเราเป็นใครเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราควรที่จะแก้ไขยอย่างไรกับปัญหาต่างๆที่เรากําลังมีอยู่ในขณะนี้ ไม่มีใครจะแก้ปัญหาได้อย่างราบคาบได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เราแก้ไขปัญหาไปถึงต้นตอของปัญหาเลยก็คือความหลงความโง่ที่ทําให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอได้เจอคนรู้คนฉลาดท่านก็จะทําให้เราหายโง่หายหลงเพื่อที่แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องยุติการกระทําอะไรบ้าง พอเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้เราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าต่อไปใจของเราจะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเหมือนโครนกันเลยสมัยนี้เ็ามีโครนกันแล้วพระพุทธศาสนาก็มีการโครนมาตั้งนานแล้วโครนดานด้านจิตใจโครนใจของพวกเราที่เป็นปุถุชนที่ยังเป็นเป็นเปรตเป็นเป็นอนาโลกเป็นสวรรค์เป็นเทพเป็นพรอยอยู่เนี่ย โครนให้เป็นพ้าอาหารไปบมดเลยผู้ใดได้มารับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำออกไปปฏิบัติเดี๋ยวก็จะโครนใจของตัวเองให้กลายเป็นกลายเป็นพระอาหารกันไปหมดกลายเป็นนิพพานกันไปหมดนี่แหละพวกเราโชคดีได้มาเจอของดีของวิเศษแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมาถึงวัดแล้วอของดีของวิเศษไปถึงบ้านเราแล้ว แต่มาวัดก็เฉพาะถ้าเราอยากจะมาปฏิบัติเท่านั้นยังต้องมาวัดอยู่เพราะที่อื่นมันไม่มันไม่เหมาะสมมันไม่เอื้อเฟือต่อการปฏิบัติเหมือนกับที่วัดวัดก็ต้องเป็นวัดแท้วัดปลอมก็อย่าไปวัดถ้ามีตลาดวัดที่มีการเผาศพวัดที่มีอะไรต่างๆอ่านี้ไม่ใช่วัดแล้วมันเป็นมันเป็นที่ท่องเที่ยวหรือเป็นเป็นศูนย์การค้าไปเสียแล้ว วัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดที่มีแต่ความสงบห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆที่วัดแท้นี้ไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากการทําใจให้สงบเท่านั้นเองมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็สอนใจให้ฉลาดนั่นคือวัดแท้ถ้าวัดที่มีแต่กิจกรรมร้อยแปดนั้นไม่ถือว่าเป็นวัดแท้ไปแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์ อันนี้ยังต้องไปวัดอยู่แต่นอกจากนั้นแล้วไม่ต้องไปวัดทำบูญทำทานไม่ต้องไปวัดรักษาศีลไม่ต้องไปวัดฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องไปวัดแต่ถ้าจะไปปฏิบัติสมถะภาวนานี่ยังต้องไปวัดอยู่จะไปปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนถึงจะรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้าง <Yeah. S 1> เมื่อรู้แล้วก็เมื่อพร้อม เมื่อสามารถตีดเวลาได้ตัดภารกิจต่างๆที่ผูกพันได้ก็ไปได้ถ้าไปแล้วปฏิบัติแล้วถ้าได้ผลแล้วจะติดใจดีไม่ดีไปแล้วไม่กลับละส่งข้อความกลับมาสั้นๆว่าไปแล้วขอทิ้งสมบัติทั้งต่างให้กับใครก็ได้ใครอยากจะได้ก็เอาไปนี่ก็คือเรื่องของ การมาฟังเทศฟังธรรมเรื่องของการที่เห็นคนแก่คนเจ็บเมื่อกี้นี่เป็นเป็นอุทาหรณ์เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาพิจารณาถึงสังขารร่างกายของพวกเราที่พระเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่เจ็บตายนั้นอย่าประมาทให้รีบใช้ร่างกายที่ยังมีความสามารถนี้มาทำตามที่พระเจ้าสอนเถิด แล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานหลุดพ้นจากความการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนะการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยถาวาริวาหาปุราปาริกปุรเรนติสารลง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยทามนิโชติระโสยทาสสะพีติโยวิวาจจันตุสัพพะโรโวินัสสตุ มาเตภวตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะอะพิวาธนศิลิสนิจังวุธาปจายโนจัตารโธรรมมาวทานติอายุวนโนสุขังภาลังวันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่เนีค่ะ วันนี้ทาง Facebook 485ค่ะ YouTube 90และวิทยุ26ค่ะเนื้อจะยุปรับซอแวร์ใหม่นะเนอะครับอะไรได้คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดีขึ้นนะสะดวกขึ้นนะเป็นยังไงเขาเปลี่ยนซอแวร์ใหม่เนี่ยเป็นซอแวร์ถูกอัปเกรดขึ้นนะจากเวอร์ชั่นก่อนนี้แล้ขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าอคนติดตาม20คร มีใครอยากจะถามอะไรไหมใครมีคําถามถามได้นะถ้าเมื่อกี้เทศแล้วฟังแล้วยังไม่เข้าใจตรงประเด็นไหนสงสัยก็ถามได้แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเห็นเองนี่ก็ต้องเห็นเองถึงจะเห็นได้ชัดถ้าถามก็ถามวิธีที่จะทําทให้เห็นทํำยังไงถึงจะทําให้เห็นจะเห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงนี้ต้อง ต้องเปิดตาในเองไม่มีใครเปิดตาในให้เราได้ต้องเป็นผู้เปิดเองอัตตาหติอัตโนานาโถเอวุตเจ้าสอนเราให้เราเปิดตาในแต่คนที่จะเปิดตาในก็คือเราถ้าเราไม่เจริญสติเราไม่ฝึกสมาธิเราก็จะไม่เห็นถ้าเราไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณา ทำอยู่เรื่อยๆพิจนาอริยสัจสี่เราจะไม่เห็นเราจะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางทางบ้านถ้ามีคำถามก็ถามได้คชิคำถามแรกจากคุณศรีสิริค่ะ ลูกปฏิบัติอยู่ที่บ้านมาสักระยะหนึ่งแล้วออกนอกบ้านเฉพาะเวลาจําเป็นเท่านั้นแต่มีความรู้สึกไม่อยากออกไปเหมือนกับไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตกับโลกภายนอกจะต้องทําอย่างไรคะออกไปแล้วรีบกลับมาบ้านมากไม่ไม่แวะไปไหนเลยคะ่ะคือตอน ท, ที่เราปฏิบัติอยู่นี้เรายังเหมือนกับเด็กที่ยังไม่ยังยังไม่แข็งแรงยังยังเดินยังวิ่งไม่ได้ยังเป็นเด็กที่หัด หัดเดินหัดหัดหัดยืนหัดเดินอยู่ก็ยังไม่มีความมั่นใจเวลาเราออกไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็อาจจะทำให้ใจเราหวั่นไหวเกิดความวุ่นวายใจได้เราก็เลยไม่กล้าออกไปอันนี้ก็ไม่เสียหายทำไมเป็นความถูกต้องแล้วถ้าเรายังไม่แข็งแรงยังไม่ที่จะไปรับกับอารมณ์ต่างๆได้เราก็อย่าพยายาม่าออกไป ออกไปเท่าที่จำเป็นและขนาที่ออกก็ต้องระมัดระวังคอยควบคุมคจิตใจไม่ให้ไปมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสรับ ร, บรู้แต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติจนเราไม่มีความหวั่นไหวต่อสภาพต่างๆอะไรมากระทบก็ไม่มีอารมณ์อันนั้นเราก็จะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไปได้แต่ส่วนใหญ่ถ้ า, ถ, าถ้าจะไปก็ไปด้วยเหตุผล ออมัน ม, มีมันไม่มีความอยากจะไปไหนแต่ก็ยังอาจจะมีเหตุผลต้องไปเช่นบางทีต้องไปหาหมอร่างกายไม่สบายไปหาหมอหรือไปเยี่ยมคนที่มีพระคุณเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรทํานองนี้คือไม่ได้ไปด้วยความอยากไปเหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติตถ้าไม่มีเหตุผลอยากจะที่จะต้องออกไปจะไม่อยากจะออกผู้ปฏิบัติ ถ้าจิตเริ่มเข้าข้างในแล้วมันจะไม่อยากออกข้างนอกเพราะข้างในมันเย็นข้างนอกมันร้อนอันนี้ไม่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ว่าข้างนอกมันร้อนเด็กพวกเราเหมือนพวกคนที่ไม่เคยอยู่ในห้องแอร์เราไม่รู้ว่าห้องแอร์มันเป็นยังไงอยู่ข้างนอกก็อยู่กับมันไปอาศัยว่าความเคยชินเคยอยู่กับมันมาจนชินแล้วมันก็เลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนแต่พอไปอยู่ในห้องแอร์ปั้มจริรู้ว่าอ เห็นความแตกต่างระหว่างอยู่ในห้องแอร์กับอยู่ข้างนอกต่อไปก็ติดห้องแอร์แล้วไม่อยากจะออกข้างนอกออกข้างนอกแล้วมันร้อนเวลาปฏิบัติก็แบบนี้แหละเวลาเราปฏิบัติเราเข้าข้างในดึงใจเข้าข้างในด้วยสติพุโทโธพุโทโธเนี่ยพอใจเข้าข้างในแล้วมันก็จะเริ่มเย็นเย็นขึ้นไปตามลําดับจนเยนเ็นเต็มที่เลยถ้าจิตสงบนิ่งมันก็จะเย็นเต็มที่มันมีความสุขมาก มันก็เลยไม่อยากจะออกไปแต่พีแหลนบางทีมันก็ยังหลอกล่อได้อยู่ถ้าไม่ฉลาดเดี๋ยวมันก็หลอกให้ไปทำนูน่นทำนี่ได้อยู่จึงต้องคอยใช้ปัญญามาเตือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากถ้าจะไปต้องไปด้วยเหตุผลอย่างพระตอนเช้าก็ต้องออกข้างนอกไปบินธบะนี่อันนี้ไม่ได้ไปด้วยความอยากไปด้วยเหตุผลนะ่ะไปแต่ไปก็ต้องคอยระมัดระวังคอยควบคุม ตาหูจมูกลิ้นกายอย่าให้ไปอยากกับสิ่งที่ไปสัมผัสรับรู้แล้วรีบกลับมากลับมากินข้าวเสร็จฉันเสร็จเรียบร้อยก็ไปเข้าข้างในต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิดึงใจให้เข้าข้างในต่ อ, อจากคุณหนูเดียค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะค่ะตอนนี้โยมเหมือนหมดกําลังใจ อยากให้พระอาจารย์แนะค่ะว่าโยมต้องทําอย่างไรเพื่อให้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปคะ่ะก็ต้องมันฝึกสติให้มากฝึกสติแล้วทําหยุดความคิดอย่าคิดมากที่มันคิดมากแล้วมันก็จะหมดกําลังใจเพราะคิดไปแต่เรื่องที่ทําให้เราหมดกําลังใจคิดไปตามความอยากของเราพอไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากมันก็ทําให้เราท้อแท้เบื่อหน่าย ถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้ความท้อแท้เบื่อหน่ายมันก็จะหายไปต่อให้ได้มามากเท่าไหร่มันก็ทำให้เราท้อแท้ได้ทุกเพราะถ้าเราไม่ได้เราก็จะท้อแท้เบื่อหน่ายเหมือนเดิมงั้นอย่าไปทางตามความอยากถ้าเราท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจเพราะเราไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็อย่าไปทำมันเลยมาหยุดความอยากดีกว่า มาฝึกสติพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราอยากแล้วพอจิตไม่มีความอยากจิตก็จะเบาสบายมีความสุขขึ้นมาแล้วความท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะหายไปกําลังจิตกําลังใจก็จะกลับมาเราต้องยืนบนจุดบนบนจุดที่ไม่มีความอยากถึงจะปลอดภัยถ้าเราไปยืนบนจุดของความอยากเราจะ เราจะหวั่นไหวเราจะท้อทแท้เบื่อหน่ายได้ถ้าเราไม่สามารถทำตามที่เราอยากได้แต่ถ้าเราทำตามที่เราอยากเราก็จะหลงที่ว่าเราเก่งอยากจะได้อะไรก็ได้ได้แล้วมีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าทังวันหนึ่งเราจะต้องพลาดเราจะต้องไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วตอนนั้นเราจะเกิดความท้อทแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจ ถ้าไม่ระวังอาจจะอยากจะฆ่าตัวตายได้งั้นอย่าไปยืนบนความอยากให้ยืนบนความไม่อยากดีกว่ายืนบนความมักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่แบบมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นเช่นอาหารก็กินเพื่อให้มันดับความหิวไม่ต้องกินอาหารแพงอาหารหรูหรานะ กินข้าวกับไข่เคียวก็ได้ถ้าไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารตามร้านอาหารต่างๆก็ต้มไข่จิมจ้มน้ําพริกจิ้มน้ําปลาไปกินข้าวพอให้มันดับความหิวได้ก็อยู่ได้แล้วเราก็มีความสุขได้กับข้าวปลาไข่เคี่ยวถ้าไม่มีไข่อะก็เอาน้ําเอาข้าวคุกน้ําปลานี่แหละกินให้มันหายหิว พอกินเข้าไปพอมันหายหิวแล้วมันก็สบายคือมักน้อยทําตามกำลังที่เรามีอยู่อย่าไปโลภอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีเพราะว่าถ้าอยากแล้วเวลาไม่ได้มันจะเสียใจมันจะน้อยใจมันจะท้อแท้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากอยู่กับสภาพของเรามักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดสันโดษแต่ว่ายินดีตามมีตามเกิด มีน้อยก็ใช้น้อยไปกินน้อยไปเอมีมากอยากจะกินมากก็กินไปเอแต่ถ้าคิดว่ากินมากแล้วเป็นโทษเพราะมันติดเกิดเวลาไม่มีกินมันจะลําบากดูกินน้อยๆดีกว่ากินง่ายๆดีกว่าเสื้อผ้าก็พอมีใส่ก็พอแล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่มาใส่มันไม่ได้ทําให้เราสวยหรอกเสื้อผ้ามันก็หลอกเราคิดว่าใส่แล้วสวย คือมากี่ชุดมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละถ้า <c oughs> ใ, ใช้มากน้อยกิใช้เท่าที่จำเป็นอยากเท่าที่จำเป็นอยากสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็ต้องมีข้าวต้องมีกินก็กินหาข้าวมากินเสื้อผ้าถ้าไม่มีใส่ก็หามาใส่ถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องไปหามันเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาผิดหวังไม่ต้องมางดหงดเหรอเห็นเสื้อผ้า สวยๆในร้านอยากจะได้ทั้งๆที่ไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไปสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาโดยใช่เหตุด้วยความอยากของเราเองถ้าอยากจะมีกําลังใจอยู่ในโลกนี้ต้องรู้จักฐานะของเราต้องหยุ่แบบมักน้อยสันโดษแล้วเราจะปราบความอยากได้ความโลภได้แล้วมันจะไม่มาทำให้เรารู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิต คำถามข้อต่อไปจากคุณอ้อยค่ะดิฉันมีข้อสงสัยเรียนถามค่ะพระที่ดิฉันอาศัยอยู่ที่วัดนี่เป็นพระที่ทํากับข้าวฉันกันเองและหลังจากสวดมนต์ดิฉันจะใส่บาตรพระพุทธโต๊ะหมู่ในบ้านแทนที่จะใส่ บ, บาตรตอนเช้าถ้าดิฉันนําเงินนี้ไปซื้ออาหารดิบมาถวายพระเพื่อทำกับข้าวจะได้บุญหรือเป็นบาปไหมคะตอบคําถามในออกขอโทษค่ะแค่นี้ค่ะ ก็ต้องถามพระก่อนว่าทำไมต้องทากับข้าวเองเพราะมันไม่เป็นมันผิดพระวินัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระมาเป็นพ่อครัวไม่ต้องการให้พระมาทำอาหารเองเพราะมันจะเสียเวลาและมันจะเป็นกิเลสเพราะอาจจะทำอยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็จะคิดปรุงแต่งก็จะกลายเป็นเรื่องของกิเลสไป พระพุทธเจ้าสอนวิธีหากินของพระคืคอการบินทบาทถามว่าทําไมท่านไม่ออกบินทบาทไม่มีคนใส่บาตรหรื อ, อยังไงเอถ้าไม่มีคนใส่บาตรก็ถ้าต้องทําอาหารในวัดก็พระอย่าทําเองไปจ้างใครเข้ามารึขอขอกําลังของญาติโยมที่ศรัทธาให้มาช่วยทําอาหารให้หน่อยแต่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าจะเอาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ ให้เขาทําไปตามมีตามเกิดมีอะไรก็ทําไปแต่ไม่ควรที่จะปล่อยให้พระทำกับข้าวเองข้อต่อไปจากคุณเอกค่ะถือศีลห้าในวันธรรมดาและถือศีลแปดในวันพระทั้งศีลห้าและศีลแปดหากซื้อลอตเตอรี่จะผิดศีลไหมคะซื้อลอตเตอรี่มันไม่ผิดศีลน่ะแต่มันเป็นกิเลส แล้วก็มันเป็นอเป็นเป็นอบายมุกเป็นเหมือ น, นเป็นเหมือนการเล่นการพนันที่แทนที่เราจะได้เงินส่วนใหญ่เราจะเสียงเงินมากกว่าถ้าเราดูสติติก็ลองลองดูเสจลองจดสถิติดูปีนี้เราซื้อลอตเตอรีหมวไปเท่าไหร่แล้วเราได้ถูกรางวัลเท่าไหร่ถ้าเราได้กำไรก็ซื้อไปไม่ว่ากันถือว่าเป็นการลงทุนที่ถูก แต่ถ้าซื้อแล้วขาดทุนก็อย่าไปทํากิจการนั้นเอซื้อแล้อขาดทุนคือได้รางวัล น, น้อยกว่าค่าลอตเตอรี่ก็สู้เก็บเงินซื้อลอตเตอรี่ไว้ไม่ดีกว่าะเอจะได้ถูกแบบไม่ที่ไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่เงินที่เราเอาไปซื้อลอตเตอรี่มันก็เป็นรางวัลไม่ใช่ก็รางวัลมาจากที่ไหน่ก็รางวัลมาจากคนที่ซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมเงินของที่คนที่ก็ซื้อลอตเตอรี่มาจา่าย ถ้าเราอยากจะถูกวลอตเตอรี่ก็อย่าไปซื้อลอตเตอรี่เอาเงินที่จะซื้อลอตเตอรี่ใส่กระป๋องไว้เดี๋ยวพอวันหวยออกก็ได้แล้วนะเนี่ยถูกแนละ้วได้ได้แน่ๆได้ชัดๆไม่เอาเพราะความโล่อยากได้มากมาเลยไม่ได้เลยแล้วโน้มโน้มากมักลาบหายๆๆนะถ้าอยากจะถูกวลอตเตอรี่ทุกงวดก็อย่าซื้อลอตเตอรี่เอาเงินซื้อลอตเตอรี่นี่ใส่กระปุกไว้ พอพอถึงมันหวยออกก็เปิดกระปุกดูอ้อได้รางวัลลนะนี่แหละคนฉลาดเขาซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ถ้าแบบนี้แล้วไม่ไม่ผิดศีลแต่ถ้าซื้อพูดด้วยความโลภอยากจะได้เยอะๆลงทุนน้อยๆส่วนใหญ่มันจะแทนที่จะได้เยอะมันกลับจะเสียเยอะมากกว่าได้นอกจากคนที่โชคดีมันจังหวะของเขาที่ที่นานทีปีหนจะจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับ ถ้าเราไปหวังอย่างนั้นเราก็โง่คือไปหวังน้ำบ่อทรายไปหวังกับอนาคตที่ไม่แน่นอนปัจจุบันที่แน่นอนกับไม่เอาเงินมีอยู่กับมือกับไม่เก็บเอาไว้กับเอาไปโยนทิ้งเพื่อหวังจะได้เงินที่ไม่แน่นอนกลับมามากกว่าแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าได้ไม่ได้ก็ลองทำสิทธิติดูก็ได้ปีนี้เริ่มตั้งแต่ปีใหม่มาเนี้ยเริ่มซื้อหวยมากี่งวด น, นะ จ่ายไปเท่าไหร่แล้วแล้วถูกางวุนเท่าไหร่ลองทำบัญชีไว้ดูแล้วสิ้นปีลองมาคิดบัญชีดูถ้ามันกาไรมากกว่าขาดทุนก็ปีหน้าก็เล่นต่อได้เพราะถือว่าเป็นการลงทุนเป็นการทำมาหากินอย่างหนึ่งซื้อมาขายไปแต่ถ้าซื้อมาขายไปแล้วขาดทุนก็อย่าไปอย่าไปเล่นบริษัทไหนเขาเปิดแล้วขาดทุนก็ไม่เปิดหรอกเาเปิดใช่ไห เปิดแล้วไม่ได้กำไรทำไปทำไมทำให้ขาดทุนส่วงอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าถ้าจะเล่นนอตตรี่ต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบมีสติมีปัญญาเล่นคุณจีรดาค่ะศีลไม่บริสุทธิ์บรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะมีคนแย้งมาว่าได้หนูเลยอยากได้ความกระจ่างจากครูบาอาจารย์ค่ะมันก็พูดยาก ถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันจะไปปฏิบัติธรรมได้อย่างไงมันต้องไปติดคุกติดตาราง <Yeah. S 1> เวลาทำบาปแล้วมันก็อาจจะต้องถูกลงโทษ <Yeah. S 1> มันก็จะไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้ <Yeah. S 1> นอกจากคนบางคนที่มีปัญญาเก่าอยู่เยอะ <Yeah. S 1> แล้วอาจจะทำผิดศีลด้วยความความพลาดผิดพลาดด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าด้วยความถูกเขาหลอกอย่างองคุลิมาอย่างนี้ คุลิมานี้จะว่าไม่มีผิดเสียงก็ได้ฆ่าคนถึง999คนแต่อคมคุลิมามีอยู่อย่างที่คนอื่นอาจจะไม่มีก็คือปัญญาความฉลาดพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจสามารถพลิกตัวของเขาจากการเป็นโจรมาเป็นนักบวชมาฆ่ากิเลสแทนได้พระพุทธเจ้าสอนว่าฆ่าผิดคน ไปฆ่าคนนี้ไม่ทำให้บรรลุธรรมถ้าอยากจะบรรลุธรรมต้องฆ่ากิเลสตัณหาพอฟังแล้วเข้าใจก็เลยเปลี่ยนเป้าจากการไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลสตัณหาก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อันนี้ก็แต่ตอนที่บรรลุตอนนั้นก็ไม่ได้ฆ่าแล้วไม่ได้ทำบาปแล้วเอนตอนก่อนที่จะบรรลุนี้ต้องต้องไม่ได้ทำบาปถ้าไปทำบาปก็บรรลุไม่ได้ ถ้ายังไปฆ่าคนอยู่ก็บรรู้ไม่ได้อยู่ทนี้เพราะนั้นต้องเปลี่ยนถ้าเคยทำบาปแล้วเลิกทำบาปนี่ถึงจะบรรลุได้ถ้าเคยทำบา ป, บา ป, บา ย, บาปยังทาบาปต่อแล้วจะหวังให้บรรลุนี่บรรลุไม่ได้พูดอย่างนี้เข้าใจไหมคำถามจากคุณใบเตยค่ะดิฉันอยากถามเรื่องการขอลูกเช่นมีหลายครอบครัวที่แต่งงานนานแล้วไม่มีลูกสักที พอไปไหว้ขอลูกที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วได้ลูกจริงตามคําขอตามหลักพระพุทธศาสนาเรื่องแบบนี้เชื่อถือได้ไหมคะดิฉันได้เคยได้ยินบ่อยๆเรื่องการไหว้ขอลูกวัดนั้นวัดนี้ดังเรื่องการขอลูกใครอยากมีลูกให้ไปขอคะ่ะก็ต้องไปทําสถิติดูถึงจะรู้แน่ถ้าไม่มีใครทําสถิติก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า จจะมีคนร้อยคนไปขอแล้วได้สองคนแล้วก็มาประกาศบอกว่าได้ลูกพ่อไปขอแต่คนอีกเก้าสิบแปดคนไม่พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็อะไรไม่ไม่รู้จริงว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะคนที่ไม่ได้เขาก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะไม่อยากจะพูดไม่ดีต่อวัดใช่ไหมเขากลักวจะบาปเขาก็เก็บไว้เฉย อนันมันต้องใช้สติติต้องต้องใช้หลักเหตุผลใช้ความเป็นจริงมายืนยันว่าจริงหรือไม่จริงถ้าวันนี้ขอลูกก็ได้ลูกนี่เดี๋ยวลองไปนั่งทำสถิติ ด, ดูลองไปสอบถามคนที่เข้าไปที่วัดนั้นดูว่าพี่ขอลูกก็เปล่าแล้วขอก็ได้หรือเปล่าแล้วก็จดไปจดไปดูว่าร้อยคนนี้จะได้คำตอบร้อยจะได้คาตอบเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าทุกคนบอกขอลูกก็ได้ลูกแสดงว่าวัดนี้เก่งว่ะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเสียเงินทำกิฟต์ให้เหนื่อยโอฝรั่งมันก็จะมาวัดนี้กันล้นหลามไม่หมดนะอันนี้คือแก้ความงมงายต้องเอาความจริงมายืนยันเท่านั้นอย่าเอาคําล่ําลือมามายืนยันเพราะคนที่เขาพูดอาจจะพูดจริงแต่พูดแค่คนสองคนแล้วก็ไปกระจายข่าวกัน ส่วไอ้คนที่ไม่ได้ก็ไม่มาพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับไปหาพระขอเบอร์จากพระหลว ง, งพ่อตรงนี้แล้วถูกกันนี่ก็แห่กันไปแห่เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะถูกกันแค่ร้อยสองร้อยคนเพราะมันต้องมีโอกาสถูกอะ่ะเพราะมันมันซื้อมันต้องมีหลายเลขเนี่ยมันก็ลองหลวงพ่อก็ไม่บอกตรงไปตรงมาให้ไ ป, ใ ห, ไปให้ไปตีความหมายเอาเอง <laughs> คนไหนตีความหมายถูกก็ถูก <laughs> ่บางทีหลวงพ่อก็ไม่รู้หรอกถ้าหลวงพ่อรู้ไปบอกคนอื่นทําไมบอกให้ลงสิทธิ์ไปชื่อให้ไม่ดีกว่ามันคิดไม่เป็นเลยพวกนี้มนาะคาถามจากคุณชมพู่ทางไลน์นะคะอยากกราบนมัสการค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าเราทําดีให้กับคนรักเก่าเราในทุกครั้งที่มีโอกาสบางครั้งก็ห่วงใย ห, หรือคิดถึงมีความเป็นห่วง อยากดูแลหรือช่วยอะไรที่เราสามารถช่วยได้มีน้ําใจให้เสมอแต่เขาก็ไม่ค่อยตอบกลับมาด้วยคําพูดหรือแสดงท่าทียินดีเลยสักครั้งเฉืชยชาไม่สนใจมันทําให้ท้อและเสียความรู้สึกในบางครั้งแต่เราก็อยากจะทําในสิ่งที่ดีให้เขาอยู่นูกคุณจะหยุดดีไหมคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอีกไม่ต้องไปสนใจเขาอีกต่างคนต่างอยู่ไปดีค่ะคือทําความดีเนี่ยดีอยู่แล้วทํากับใครก็ได้ เพียงแต่ว่าอย่าไปหวังอะไรตอบแทนจากเขาเท่านั้นเองอก็จะไม่ท้อแทอ้แต่ถ้าทำแล้วหวังมันก็จะท้อแท้ได้ถ้าเวลาเขาไม่ได้ตอบแทนความปรารถนาของเรา อ, อางนั้นถ้าทำทำความดีแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำความดีจริงเพราะเป็นเหมือนกับการทำการค้ามากกว่าเหมือนกับการขายสินค้าซื้อขายสินค้าให้เขาแล้วเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้เรา เราก็ทอแทรขายอย่าขายเดี๋ยวก็เจ๊งก็ปิดร้านดีกว่าเพราะว่าเราหวังผลตอบแทนจากผู้ที่เขารับของจากเราไปเหนเราขายของคนมาซื้อของแล้วขอติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนี้แล้วไม่ยอมจ่า ย, ยาต่อไปเราก็เจ๊งเลยอันนี้ก็เหมือนกันไปทาความดีให้เขาแล้วก็หวังให้เขาจ่ายเราด้วยการขอบใจเราหรือยินดีกับการกระทาความดีของเรา พอเขาไม่ยินดีเราก็เลยท้อแทอ้เหมือนนายงั้นการทําความดีอย่าเลิกทําแต่ต้องเปลี่ยนวิธีทำใหม่ท่านั้นว่าทําไปแล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับทําเพื่อให้เรามีความสุขใจที่เราได้ทําความดีได้ช่วยเหลือคนอื่นทําอย่างนี้ไปแล้วก็จะมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลได้คําถามต่อไปจากคุณปลื่มจากทางไลน์นะคะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ การทำบุญใส่บาทจำเป็นต้องอธิษฐานหรือไม่และต้องอธิษฐานอย่างไรถึงจะมีบุญไว้ใช้ยามเราตายไปค่ะออคําว่าอธิษฐานนี้ตามความหมายของพระนี่ไม่ได้แปลว่าขอขอนี้เป็นความหมายของโยมที่มามามาใช้กันแต่ความหมายของคําว่าอธิษฐานที่แท้จริงคือความตั้งใจตั้งเป้าตั้งเป้าหมายเช่นเวลาเราทําบุญ ถ้าเราอยากจะทำบุญอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าขอให้ได้ทำบุญอย่างนี้ไปทุกวันอย่างนี้พอพรุ่งนี้เราก็จะได้ทำต่อแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายก็าจะทำบุญทุกวันเดี๋ยวพอพรุ่งนี้อาจจะไม่ทำก็ได้ถ้าเราอยากจะได้บุญจากการทำบุญเราก็ต้องอธิษฐานตอนที่เราทำบุญว่าขอให้ได้ทำบุญอย่างนี้ทุกวันหรือวันเรหลายๆครั้งก็ได้ขอให้ได้ทาบุญบ่อยๆ ทุกเวลาที่มีโอกาสได้ทำขอให้ได้ทำบุญอย่างนี้เราก็จะได้ทำบุญแล้วประโยชน์หรือผลที่จะได้รับจากการทำบุญก็จะเกิดแต่ถ้าเราไปขอว่าทำบุญแล้วขอให้ได้ไปนิพพานนี้มันก็ขอมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะการทำบุญไม่ได้เป็นเหตุที่จะทาให้เราไปนิพพานการใส่บาตนี่ไม่ได้ทำให้เราไปนิพพานได้มันเป็นเพียงขั้นบันไดขั้นหนึ่งของการไปนิพพาน แต่ยังมีอีกหลายขั้นที่เรายังต้องก้าวขึ้นไปหรือนอกจากการทําบุญใส่บาตรแล้วเรายังต้องรักษาศีลรักษาศีลแล้วยังต้องภาวนาถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องตั้งจิตติฐานว่าขอให้ได้ทําบุญทุกวันรักษาศีลทุกวันได้ภาวนาทุกวันถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็จะได้นิพพานแต่จะไปขอข อ, ขอให้ไปสวรรค์ไปนิพพานขอให้ไม่ไปเกิดนิบาด้วยการ ใส่บาสนี้มันมันห้ามไม่ได้มันเป็นผลไม่ได้ถ้าไม่อยากจะไปอบายก็เราขอาต่อไปนี้จะไม่ทําบาปอีกต่อไปอขอตั้งสัจจะขออธิษฐานว่าจะไม่ทําบาปอีกต่อไปอย่างเงี้ยต้องอธิษฐานแบบนี้ถ้ารักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตตายไปก็ไม่ต้องไปอบายเพราะบาปไม่มีจะดึงเราไปมีแต่บุญบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นของนิพพานได้ การอธิษฐานตามหลักของศาสนาพูดคือให้การให้ตั้งเป้าตั้งอยู่ที่การกระทำของเราอย่าไปตั้งที่ผลเพราะตั้งที่ผลแล้วไม่กระทำมันไม่เกิดผลขึ้นมาแต่ตั้งที่เหตุแล้วพอเรามีเหตุเราทำเหตุได้ผลก็จะตามมาเองเจาะไปจาก YouTube คุณไอซ์เบอรี่ค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์คะว่าตอนนี้หนูไม่ได้ทำงานและตั้งใจว่าเมื่อพร้อมหนูจะบวชแต่เพราะมีรายได้น้อยลงจึงไม่ค่อยได้ทำงานเน้นปฏิบัติมากกว่าหนูเกรงว่าเมื่อตายไปแล้วผลกุศลแห่งทานจะน้อยหนูควรจะทำอย่างไรดีคะ อ, อ๋อไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราบวชนี่เราได้ผลกุศลมากกว่าทานทาทานเยอะแยะผลจะได้จากการภาวนานี่ถ้าเปียกเป็นธนบัติก็เป็นเหมือนใบละพัน ส่วนผลที่เราได้จากการทำบุญทาทานนี่ก็เหมือนธนบัตบรใบละ2ี่ําไปถ้าเป็นแทบตายก็ได้ไม่เท่าไหร่ซื้อไปภาวนานั่งสมาธิจิตรวมนี่ได้ใบธนบัตรเป็นพันมาละต่อไปจาก YouTube คุณปัทมาพรค่ะลูกเกาะพุโทโธและดูอิริยาบทย่อยเมื่อสิ่งมากระทบกายนอกนั้นนิ่งฟังทุกคำที่เขาพูดไม่ได้โกรธแต่ใจยังสัน่น พอพิจารณาว่ากโกรธหรือน้อยใจไหมก็ตอบตัวเองได้ว่าไม่มีพอจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะทำใจให้ไม่สั่นเจ้าคะ่ะได้ใจสั่นเพราะใจเราอยากอยากให้เขาพูดดีไม่อยากให้เขาพูดไม่ดีถ้าเราอยากจะไม่ให้ใจสั่นก็อย่าไปอยากให้เขาพูดอะไรก็ได้เขาจะชมก็ได้เขาจะด่า ก, ก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่สั่นเวลาเขาพูด ไม่ดีเวลาก็ด่าเราเราก็ไม่สั่นเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่พูดไม่ด่าเราอปล่อยให้เขาด่าเราใครอยากจะดาา่าแล้วด่าไปเลยอพระเจ้าบอกให้ทําตัวเป็นเหมือนแจลบเป็นเหมือนคนรับใช้คนรับใช้นี่เจ้านายด่าไงก็ฆ่าฆ่าฆ่าไปหัดทําใจให้เป็นแจลบเป็นปัจจีเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่ําใครจะดูถูกดูแพนยังไงก็ปล่อยให้เขาเหยียบไปให้เขาย่ําไป อย่าไปอยากให้เขายกย่องสรรเสริญอย่าไปอยากให้เขาให้เกียรติเราแล้วเราจะไม่สัน่นเวลาที่เขาไม่ให้เกียรติเราเวลาที่เขาไม่ยกย่องเราเวลาที่เขาด่าเราวิธีที่จะฝึกก็คือหัดด่าเราอยู่เรื่อยๆอีหานี่มึงนี่เร็วชิบหายเลยด่าไปในใจให้มันชินกับหูแล้วต่อไปเวลาใครดา่าแบบไหนเราจโอ้ยกูฟังมาแล้ว นี่คือวิปัสสนาไงเนี่ยวิปัสสนาเราต้องพยายามเจริญสิ่งที่เราไม่ชอบให้ใจเรามันชินกับมันอย่างเช่นเราพิจารณาอสุภะเพราะเราไม่ชอบอสุภะเราต้องเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันชินกับมันแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่กลัวสุภะเห็นอสุภะแล้วเรากลับสบายใจกลับไม่หลงกลับไม่หลังไปรักใครเพราะเห็นอสุภะเห็นหัดด่าตัวเราเองบ่อยๆ มึงนี้ไม่ดีเลยพูดอย่างนี้ขี้เกียจขี้ค้านอิจฉาริษยาอะไรก็ว่าไปอะไรที่เราไม่ชอบเอามาพูดในใจเราอยู่เรื่อยๆเลยคิดถึงคนที่เราเกลียดให้แล้วก็คิดว่าเขากาลังพูดกําลังด่าเราอย่างงี้หรือคนที่เรารักก็ได้คนที่เกลียดคนที่เขาเกลียดเราด่าเรามันไม่เจ็บเท่ากับคนที่รักเราด่าเรานะพอคนที่เรารักเขารักเรารักเขาเขารักเราล แ, ลแล้วเขามาด่าเรา น, นี่โอยมัน เจ็ปวดมากกว่าคนที่เขาไม่รักเราเยนนึกถึงคนที่เขารักเราหรือเรารักเขาเรานึกถึงวันเวลาเขาด่าเราดูเแล้วก็ลองด่าไปในใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเ้าด่าเราจะเฉยได้อ๋อรู้แล้วมันจะต้องด่ากู <laughs> อนี่คือวิธีแก้ปัญหาเวลามีอะไรมากระทบใจต้องแก้ด้วยการ เอาสิ่งนั้นที่มันกระทบใจนี้มาให้ใจเราสัมผัสอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันชินกับมันแล้วต่อไปมันจะได้เฉยได้คำถามจาก Facebook คุณโอเคค่ะหลวงพ่อครับผมละทิ้งหมดจะไปเป็นพระจะไปนั่งสมาธิจะได้ความสุขอย่างไรครับอออความสุขก็เกิดจากการนั่งสมาธิไงถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ พระพเจ้บาบอกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกับความสงบไม่มีถ้านั่งสมาธิแ ล, แล้วจิตสงบแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้สุขมากกว่าถูกออตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสุขมากกว่าได้แต่งงานกับนางงามจักรวาลคือสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิเห็นไปเลยรีบไปแต่ต้องไปบวชที่วัดที่เขามีการนั่งสมาธิกันอย่าไปบวชที่วัดเขามีแต่สวด สวดศสพสวดอะไรต่างๆจะไม่ได้นั่งสมาธิคําถามข้อต่อไปจากคุณศรีสิริค่ะหากไม่มีร่างกายและดวงจิตรับความสุขความทุกข์ทางขันไหนคะหรือรับอย่างไรคะก็รับจากบุญจากบาปไงบุญจากบาปจะเป็นตัวให้ความสุขความทุกข์แก่จิตถ้าเป็นเวละของบุญก็จะได้รับความสุขถ้าเป็นเวละของบาปก็จะได้รับความทุกข์ ในรูปแบบของอะไรในรูปแบบของความฝันเนี่ยเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนร่างกายตายไปตอนนั้นเราก็ฝันฮะบุญกับบาปเนี่ยเป็นตัวผลิตความสุขให้กับเราหรือความทุกข์ให้กับเราถ้าเป็นบุญก็ผลิตความความฝันที่ดีฝันเรื่องดีๆฝันแล้วมีความสุขได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปพบกับสิ่งดีๆได้ถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรก็แล้วแต่มันก็จะฝันเอ ถ้าเป็นบาปมันก็จะฝันว่าถูกคนนั้นกั่นแกล้งถูกคนนั้นดา่าอยู่คนนั้นว่าถูกคนนั้นทุบตีอะไรต่างๆเพราะว่าเราตอนที่เราไม่ได้นอนหลับนี่เราไปทําบาปไว้ไงไปทุบตีคนอื่นไว้เพราะเวลาฝันมันก็เลยกลับกันไปทุบตีเขาเวลาฝันเขาก็เลยกลับมาทุบตีเรานี่คือบุญกับบาปที่ทําให้เราเวลาไม่มีร่างกายมีสุขหรืมีทุกข์ บบุตบนตาคําถามข้อต่อไปจากคุณพิมพรค่ะกระเบียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อคืนใกล้สว่างหนูฝันว่ามีคนเอารูปหลวงพ่อรูปพ่อหลวงในในหลวงรัชการที่เก้ามาให้ค่ะภาพองค์ท่านใหญ่มากและมีธงชาติไทยด้วยค่ะนํามาให้ในฝันและหนูก็รับไว้กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูฝันดีแบบนี้แสดงว่าหนูได้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบในผลของบุญได้ถูกทางแล้วใช่ไหมคะ ก็นูคงจะมีความจงรักภักดีในหลวงราชการที่9๙ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คิดแต่สิ่งที่ดีของท่านอยู่เรื่อยๆรอ น, นอนหลับมันก็เลยฝันถึงท่านไป mm hmm. ก็เป็นอันนี้ส์ของการทําบุญคือมีความคิดที่ดีมีความจงรักภักดีมีความเค mm hmm. ารพนับถือผู้ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นคนดีอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติบูชาก็ได้ บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาอันนี้ก็เป็นบุญพอนอนหลับเราก็จะได้ฝันดีฝันเป็นท่านก็จะได้เรื่องแต่เรื่องดีๆมาเดี๋ยวเอาคำถามข้อหนึ่งน ะ, ะข้อสุดท้ายนะคาถามข้อสุดท้ายจากคุณสมศักดิ์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์กับผมขอเรียนถามครับว่าเห็นตาในใช้ใจเห็นหรือเห็นตาในเหมือนคล้ายตานอกเห็นครับ คือตาน้เราต้องเห็นตานอกก่อนแล้วมันถึงจะส่งไปที่ตาในาแต่ในตอนนี้ตาในาของเรามันเป็นตาในาที่ปิดถูกกิเลสปิดไว้มันเลยไม่ได้เห็นความจริงเห็นทุกข์เป็นสุขไปเหมือนกับคนที่สายตาสั้นแล้วไม่ได้ใส่แว่นมันก็เลยเห็นไม่ชัดเห็นแบบมัวมัวตาเราพวกตาของพวกเราเป็นพวกสายตาสั้นตาในเป็นสายตาสั้นมันมัว มันเห็นกับตาละปัดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นสุขแต่ถ้าเราไปใส่แว่นตาไปเปิดตาในเอาตาของพุทธเจ้ามาใส่เอาปัญญาของพุทธเจ้ามาใส่มันก็จะเห็นความจริงว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นทุกข์เนื่องเพราะว่า ม, มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราควบคุมมันไม่ได้อันนี้ คือตาในของเราแต่ตานอกนี่ก็ตาที่ร่างกายของเรามันก็เพียงแต่รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้าไปแตไ่ไม่รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่รับเข้าไปนี้สุขหรือทุกข์ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตาในถ้าตาในถูกกิเลสครอบงำอยู่มันก็จะเป็นตาเหมือนตาตาตาสายตาสั้นหรือตามัวมองไม่เห็นภาพจริงก็ต้องเอาตา ของพระพุทธเจ้ามาปรับให้มันเห็นตามภาพความเป็นจริงคือเอาคําสอนพรุทธเจ้ามาสอนเวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็อย่าไปว่ามันดีเพราะมันไม่ดีมันทําให้เราทุกข์ทุกเพราะมันจะต้องจากเราเวลามันจากเรามันก็ทําให้เราทุกข์ให้คิดอย่างนี้ถึงจะได้ตาในที่ดีตอนนี้ตานายของเราไม่ดีเห็นอะไรแล้วถ้าว่าดีแสดงว่าหลงแล้ว เห็นอะไรด้วยตาแล้วว่าดีอยากได้มีความสุขเนี่ยหลงนะเพราะเดี๋ยวสิ่งที่เราที่คิดว่าดีที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันจะให้ความทุกข์กับเรา น, นี่ก็คือเรื่องของธรรมต่างๆที่ท่านได้ถามในวันนี้ก็พอดีหมดเวลาถ้าอยากจะถามอีกก็ขอให้ติดตามในวันต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา